อ่ะเจริญใครจะเ ต, เตวิโชเรื่องอะไรบ้างอ่ะเจอเลยกราบนมัสการท่านสมณะเจริญธรรมนิสิตทุกท่านแต่วิชมว่าเช้านี้แล้วกันค่ะที่ฟังทำก่อนชั้นนะคะอืมค่ะรู้สึกว่ามันงงมันคลายคลายได้หลายอย่างมันไม่งงค่ะท่านอ๋อจะมายังได้เทไปแล้วเท เ, เขาจะฟังรู้เรื่องหร <laughs> ื่านี่ยมันรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกว่ามันคลายที่ว่า จะเป็นอย่าให้โต่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าพอพ อ, พอฟังแล้วได้ความรู้ตรงที่ว่าดูกิเลส ข, ของตัวเองจริงๆแล้วมาฟังธรรมมันไม่ได้ตั้งพบอะไรมะพอมาฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันคลายมันทำให้ไม่ได้คิดอะไรมากว่าเราเราโต่งไปด้านใดนด้านหนึ่งหรือเปล่าคะ่ะเึงแต่ว่าจะรู้สึกเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมาก่อนจะลงมาเนี่ยพอดีมีโทรศัพท์มาพอดี พ่อโทรบอกโอ้วันนี้ฟังเทศก่อนฉันบอกดีจังเลยทําให้คลายไปได้เยอะอัลมาบอกเอ้าฟังรู้เรื่องเลยโทรมาจากข้างนอกเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนจะมีเจโตมากหรือบางทีเราก็เพราพอดีคนที่เขาโทรมาเขาโตเหมือนกันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออทําให้เขาคลายใจเพื่อนร่วมงานได้ไม่อย่างนั้นเขารู้สึกว่าเขาก็ยึดเขาก็ยึดแล้วมันก็เลยทําให้มันก็ ต้องถือสาต้องเพ่งโทษจะเอาเรื่องอยู่เรื่อยไงเขาบอกเออฟังแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาจะปรับตัวเขาเองมากขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าเพราะว่าเขาเขาเข้าใจนะคือเขาพูดเองนะนี้เขาว่าเออเขาเข้าใจมากขึ้นทำให้ถ้าเขาไม่ต่งเนี่ยใช่คือเขาลดความต่งตัวเขาเองได้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจเพื่อนได้มากขึ้นแล้วเขาก็จะพูดจาหรือเขาจะเข้าหาเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีความกล้า ที่จะพูดแล้วก็เข้าหาเพื่อนได้มากขึ้นเขาบอกว่าเออมันทําให้เขารู้สึกเขาคลายใจเขาลงไปได้มันมั่นใจที่เราเหมือนกับว่าเราจะอยูย่กับสายปัญญาก็ได้ถ้าเราสมมุติเราเป็นเจโตหรือว่าถ้าตอนไหนเราเป็นเจโตตอนไหนเราคิดว่าเราเป็นปัญญาเราก็สามารถอยู่กับเจโตได้และโดยวความเป็นจริงเนี่ยอาจารมาเคยพูดไปว่าคนเราเนี่จริงๆเนี่ยนะมันหลายสายอยู่ในตัวเองคือ <laughs> <laughs> บางเรื่องเนี่ย เราก็จะเจโตนำแต่บางเรื่องเนี่ยเราก็จะแบบปัญญา ค, คื อ, คอเพียงแต่ว่าที่เราบอกว่าคนนั้นเป็นสายนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราพูดถึงองค์รวมว่าในส่วนใหญ่เนี่ยใ น, ในจำนวนหลายๆเรื่องเนี่ย ค, คนนี้มีลักษณะเป็นเจโตมากกว่าเราก็เลยเรียกคนนี้ว่าสายเจโตค่ะคือเวลาเราไปเจอคนที่เป็นสายปัญญาเราก็ไปคิดได้ว่าเออถ้าเราเจอฟุงแบบนี้เราก็จะ เราก็จะหยุดเป็นเจโตในตัวของเราเองถ้าเราไปเจอสายเจโตหนักๆเราก็จะว่าเราก็จะรู้สึกว่าเออมันจะต้องเคลื่อนออกมาจากตรงนั้นสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีอาจารย์รมายังเคยทนหนังสือเรื่องคนต่างจริตทนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเรื่องคนต่างจริตจริงๆในเรื่องนั้นอะ่ะก็ยกมาจากพระไตรปิฎกเลยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องของสายเจโตกับสายปัญ ญ, ญาว่ากันไปว่ากันมาแล้วในที่สุดก็เลย พูดง่าว่าลงกันไม่ได้เรื่องมันมีมาแล้วทั้งนั้นนะเรื่องพวกนี้ <มา S 1> เพราะว่าเรื่องสายเจโตสายปัญญามันมีมาโบลโบราแล้วในที่สุดพวกสายปัญญาก็จะชอบว่าสายเจโตว่าเนี่ยพูดง่ายถ้าพูดเป็นภาษาเดียวน่นะก็เหมือนชอบอยู่ในภพจะเอาแต่ฌานแล้วก็จะพูดง่ายว่าจะเอาแต่นิ่งๆเอาแต่สงบไม่ยุ่งไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย มันก็ว่าพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยมีประโยชน์กับอย่างอื่น <c oughs> ว่าจะมีประโยชน์กับตัวเองซะมากเนี่ย <c oughs> สายปัญญาก็จะว่าว่าสายเจโตแบบนี้ส่วนสายเจโตก็จะไปว่าสายปัญญาบอกก็พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยสงบอ่ะไม่ค่อยนิ่งแงใช่ไหมทมําไม่นอนทําไม่นี่อะไรที่มันพูดง่ายๆว่า ก, ก็คือต่างคนเนี่ยต่างอารมณ์มไม่ดีของอีกฝ่ายนึงน่งมาว่าทาั้งทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยทั้งสองสายเนี่ยมีมุมดีอยู่ใช่ไหม แต่ไม่ยอมที่จะมองบุมดีไม่ยอมที่จะคิดถึงบุมดีไอตอนที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยก็จะคิดแต่ไอมุมลบอาตมาเคยพูดให้หลายคนฟังว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ยคุณว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่อุตส่ามาอยู่ร่วมกันแล้วมาช่วยเหลือกันเนี่ยมาทำงานมาถือศีลถามจริงๆอะส่วนใหญ่เนี่ยดีมากกว่าหรือว่าแย่มากกว่า นี่คือสัจจะนะนี่คือความจริงว่าส่วนใหญ่พวกเราทุกคนนะ่ยมีดีมากกว่ามีเสียอัลอฮฺมาลองยกตัวอย่างวันนั้นก็พูดให้กู้ดินฟ้าฟังไปทีแล้วนะว่าสมมุตินะว่าพวกเราส่วนใหญ่อัอฮฺมายกว่าดีสักเจ็ดสิบใช่ไหมแต่เขามีจุดเสียของเขาสักสามสิบถามว่ า, ารู้ก <c oughs> ระจายไหมรู้รู้กระจดีเลยชัดเจนเลยว่าเขาดีเจ็ดสิบเขามีข้อเสียอยู่สามสิบแต่พอเวลาเราไป เจอภัสสะไม่ถูกใจไม่ชอบใจเลยนะก็รู้นะว่าเขามีดีเจแต่ตอนนั้นน่ะพิจารณาแต่ข้อเสีย30พิจารณาแต่อันนี้เท่านั้นหรือถ้าภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าเพ่งโทษถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าเพ่งโทษคือจิตของคนนั้นอ่ะจ่ออยู่ที่ส0มสอ่แล้วถ้าจ่ออยู่ที่30สิเนี่ยคุณจ่อไปไอจิตคุณก็ปรุงใช่ไหมคุณก็คิดไปเรื่อยใช่ไแต่ตอนนี้มันไอจิตเรามาันมาอยู่ในแง่ลบแล้ว มันมาอยู่ในในโซนในไอ้กลุ่มของ3 0มนี้ละเพราะนั้นเหตุผลหรืออะไรต่างๆที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุผลแง่ลบทั้งนั้นแหะที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยไอ้ที่ในใจของคนนั้นน่ะที่บอกว่า30เนี่ยไม่ใช่ละเพราะคุณยิ่งปรุงเท่าไหร่ใช่ไหมคุณยิ่งปรุงเท่าไหร่มันจะเพิ่มเป็นสี่สิบห้าบไปเรื่อยๆแต่อันนี้เนี่ยฟังดีๆนะตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มที่จิตคุณนะ จิตคุณเป็นคนทําเองนะให้มันแง่ลบนี้เพิ่มขึ้นแต่ความเป็นจริงเนะี่ยเขาเปลี่ยนไปไหมหมายถึงว่าความดีเขาสมมติว่าเขามี70แล้วข้อเสียเขาสามสิบเขาเปลี่ยนไปไหมไม่ได้เปลี่ยนนะโดยสัจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่จิตเราเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนเองเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะการเพ่งโทษของเราเองที่เราเนี่ยเอาจิตไปไว้อยู่กับแง่ลบเช่ไหมแต่พอคนนั้นนะถ้าคนนั้นเกิดได้สติขึ้นมาหน่อยหรือบางทีอ่าเกิดมีใครมาส ก, กิด หรือเกิดเอาไปฟังเทพพ่อท่านหรือหรือเอาฟังเทพ ฟ, ฟังธรรมเนี่ยเกิดสะกิดขึ้นมาใช่ไหมเอ้ยพอมันได้สติขึ้นมาเนี่ ย, ย, ยความจริงก็จะกลับมาปุ๊บทันทีเลยว่าเออจริงๆเขาก็มีดีตั้งสักตั้ง70็ดสิบนะเขาบอกเป็นความจริงอยู่แล้วอ่ะอ่าเพราะนั้นเราจะให้เห็นความสําคัญของจิตนะว่าถ้าใครเนี่ยพยายามขณะจิตไหนที่เรารู้สึกว่าเอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาละจิตเริ่มโน้มไปในทางแง่ลบแลในแง่ไม่ดีแล รีบปรับเปลี่ยนเลยอย่าอย่าให้มันปรุงอย่างนั้นต่ออย่าให้มันคิดอย่างนั้นต่อให้จิตเนี่ยมันย้ายมาอยู่ที่ด้านบวกให้ได้ด้านกุศลให้ได้ถ้าคุณย้ายมาได้นะรับรองว่าคนนั้นอนะ่ะไม่เลวไปกว่าเดิมไม่แย่ไปกว่าเดิมถ้าเขามีดีเจ็ดสิบเขามีเสียสามสิบเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เอถ้าเขาเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็ยังวางใจได้อยู่เห็นไหมถูกต้องไหมเราจะไม่ไปโกรธไม่ไปถือสาอะไรหรอกอาจจะไม่ชอบใจอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่เพิ่มขึ้น ก็ยังคุยคุยกันได้ยังทำงานร่วมกันได้ก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆอยู่เพราะก็เขาดีตั้งเจ็ดสิบเนีเรายังมีความรู้สึกดีๆได้เนี่ยตรงเนี้ยอาจมาจะฝากมุมนี้จริงๆวันนี้ก็อยากจะพูดมาให้ถึงมุมนี้นะแต่มันหมดเวลาก่อ น, อนก็มันอยู่เท่าเดิมเนี่ยเราก็ยังวางใจเขาได้เลยเพราะไอ้เท่าเดิมเนี่ยเรายอมรับอยู่แล้วว่าเขามีดีมากกว่าเขามีเสียเห็นหมมมันมันจะไม่ไม่ อะไรอ่ะไม่มีผลไปในแง่ลบต่อขนาดว่าคุณเท่าทุนนะคุณมีทุนอยู่เท่าไหร่เนี่ยคุณยังเสมอตัวแค่นั้นคุณไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรเพิ่มแต่ตอนนี้ทุนเดิมเนี่ยเรารู้สึกดีมากกว่าไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยทุนเก่าะทุนที่เรามีเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําได้แค่เท่าเดิมเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกดีๆกับเพื่อนได้อยู่คุณจะไม่เสียความรู้สึกแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาทําผิดเขาทําอะไรแล้วเราก็ อะไรนะพอเขาทำทำไม่ถูกต้องอ่ะเราก็จะไปมองให้มันถูกต้องอันนี้คนคนนั้นยังเข้าใจผิดนะที่บอกว่าให้มองแง่บวกมองแง่บวกเขาทําเร็วเขาพูดไม่ดีอะไรแบบคุณก็ต้องคิดแง่บวกคิดแง่บวกคือคือไม่เข้าใจคําว่าคิดแง่บวกอ่ะก็คือพอเขาพูดมาไม่ดีเขาทํากิริยาอะไรไม่ดีเราก็ต้องคิดคิดให้ให้ให้ใหกลายเป็นดีอ่ะให้ให้กลายเป็นเขาทําดีอะไรเงี้ยมาบอกไม่ใช่นะอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจอีกอ่ะ ไม่ใช่ไปคิดให้กลับตลปัดจากความจริงไม่ใช่เนี่ยอย่าไปหลงอย่างนั้นอีกนะพราะบางคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยไปคิดอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกไม่ชอบใจใครความรู้สึกเนี่ยพอไม่ชอบใจขึ้นมาก็เลยไม่ยอมคิดแง่บวกเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไปคิดแง่บวกเนี่ยก็เท่ากับว่าอะไรกับคนนี้เขาทําไม่ดีแล้วจะไปคิดให้เขาทําดีกลายเป็นดีออันนี้บอกเอ้าอย่างนี้คุณคุณเข้าใจผิดอีกแล้วคุณไม่เข้าใจในการคิดอีกแล้ว ไม่ไม่มีปัญญาแล้วมันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่พอเราไม่ชอบใจใครอ่ะนะจะไปให้คิดให้คะแนนเขาบวกเพิ่มมันใจมันไม่ยอมอยู่แล้ว <laughs> ใจมันไม่ยอมเพะนั้นจิตมันก็ไปไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะวัน้นการที่บอกว่าให้คิดแง่บวกเนี่ยเขาทําผิดเขาทําไม่ดีเราก็รู้ความจริงแล้วก็มองตามความเป็นจริงว่าเออเขาทําตรงนี้ไม่ดีลองดูดีๆนะเราก็เห็นตามจริงอ่ะว่าเขาทําผิดเขาทําไม่ดีหรอกตรงเนี้ยแต่ เราไม่ได้ไปปรุงไอ้ความผิดความไม่ดีอันนี้ข้อต่อไปเรื่อยๆไงถ้าคุณปรุงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไปเพิ่มไ อ, อ, อ, อ้ด้านลบที่บอกว่าสามสิบไปเป็นสี่สิบห้าสิบอีกแล้วถึงบอกว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็หยุดแล้วไม่ต้องไปคิดต่อนี่แหละคือไม่ต้องไปเพ่งโทษนี่แหละคือความหมายว่าไม่ต้องไปเพ่งโทษก็รู้แล้วว่าเขาทําตรงนี้ไม่ดีอ่าใช่ไหมพูดง่ายๆว่าตรงนี้หยุดได้แล้วจบได้แล้วไอ้ตรงนี้ก็เราเรายังไม่ได้ ไปล้างทิ้งนะพอคนนี้ทําไม่ดีมาเสร็จแล้วก็ไม่ใช่สมถะด้วยนะอันนี้บอกแล้วนะนี่ไม่ใช่แบบสมถะนะถ้าสมถะก็เขาทําไม่ดีคุณก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ไอ้อย่างนี้อันอย่างนี้สมถะทําเป็นไม่สนใจจริงๆเขาทําไม่ดีแล้วนะสมมุติว่าเขาทํากิริยาเออะพูดจาก้าวร้าวนะโหเสียงดังดา่าทอหรืออะไรเรารู้อยู่แล้วเขาทาไม่ดีแต่ถ้าเป็นสมถะก็ช่างหัวมันไปเลย จังหวมันทําเป็นไม่รู้ไม่จี้ไม่สนใจนี่คุณสมถะแต่ที่ลักยอัตมาพูดให้ฟังน่ยมันเป็นลักษณะวิปัสสนานะไม่ใช่สมถะแต่มันเกี่ยวเนื่องกับสมถะตรงที่เรียกว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยนี่เขาทำไม่ดีอีกแล้วยิ่งบางคนทำบ่อยๆด้วยนะเรารู้ว่าเขาทําไม่ดีอีกแล้วก็รู้อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปปรุงต่ออีกแล้วเขาทําไม่ดีโอ้โหเดี๋ยวคราวหน้ามันจะทําอีกอันี้เนี่ยปรุงต่อแล้วนะนี่เริ่มเพิ่มดีกรีให้ความเข้มข้นแล้วนะ ไม่ไม่เอาไงหยุดไงก็รู้แล้วเออนี่ยเขาทำไม่ดีกันจบพอเนี่ยเนี่ยสมถะตรงนี้แต่คราวนี้บอกว่ยาย้ายจิตเรามาที่มุมบวกละคราวนี้เออเขามีดีเรื่องนั้นเขามีดีเรื่องนี้ตั้งเยอะตั้งแยะเห็นมหมแตนเนี้ยวิปัสสนาเพื่อที่จะเอาส่วนดีเนี่ยมาจัดการไอ้ความรู้สึกที่จะไม่ดีของเราเนี่ยให้มันให้มันเบาๆลงไปให้มันไอ้นั้นลงไปทั้งทั้งที่บอกแล้วคุณลบลงไม่ได้หรอกว่า เขาทําไม่ดีคุณจะไปโกหกว่าให้เป็นดีคุณจะไปโกหกได้ยังไงเราปฏิบัติทำนี่เราปฏิบัติตามสัจจะนะตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ปฏิบัติแบบหลอกลวงนะแล้วก็เขาทําไม่ดีก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขาทําไม่ดีจริงๆน่ตรงนี้แต่ไม่ไม่ต้องไปปรุงต่อไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปเพิ่มให้เขาเลวหนักกว่านั้นไม่ต้องไปเพิ่มให้เขาแล้วเขาเลวแค่นั้นก็ถูกต้องแล้วแหละไม่ต้องไปเพิ่มให้เขา เรวจากสามถีไปเป็นห้าสิบหกสิบอันนั้นคุณคุณเป็นคนเพิ่มเองไม่ใช่เขาแล้วนะเพราะเขาทําแค่นั้นบางทีมันมันหยุดแค่นั้นมันจบแค่นั้นนะ่ะแต่คราวนี้เราไปเพิ่มคะแนนให้เองคะแนนลบนะไปเพิ่ม เ, เองเขาเองซึ่งมันไม่ถูกต้อ ง, งเนี่ยเนี่ยถ้ามีปัศนาเป็นเราก็จะต้องนเนี้ยเนี่ยเตวิโชเป็นต้องอ่าจิตต้องไวๆต้องทันๆเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะไปงีอีกแล้วก็รีบดึงจิตมาเลยคราวนี้แหละต้องเจโตเนี่ยจะต้องดึงจิตกลับมาให้ได้ คราวนี้ต้องอาศัยเจโต้นะพอคุณรู้ตัวเนี่ยรู้รู้ตัวปับ๊บดึงจิตกลับมาอย่าให้มันไปคิดแง่ลบอย่าไปเพิ่มให้เขาอีกเขาเลวแค่นั้นก็มากพอแล้วไม่ต้องไปเพิ่มให้เขาเนี่ยต้องใช้กําลังจิตเนี่ยดึงกลับมาอันนี้ต้องใช้ฤทธิ์ของจิตฤทธิ์ของเจโตดึงกลับมาอย่าให้จิตไปทางลบเสร็จแล้วอันนี้ก็ใช้ปัญญาวิปัสนาตามเออเขามีดีตรงไหนบ้างล่ะแล้วเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยบอกแล้วไม่ได้ ใส่สีตีไข่อะไรก็เออเขามีจุดนั้นจุดนี้ดีจริ ง, รงดๆด้วยเผอๆบางทีโอ้เคยยิ้มให้เราตั้งสองครั้งเนี่ ย, ยเคยเอาขนมมาฝากเราอีกแหมคุณนึกได้อย่างนี้เห็นไหมไอจิตที่คุณจะไปผูกแง่ลบมันก็ยิ่งลดลงไปใหญ่ลดลงไปใหญ่ลลหญจิตคุณก็จะยิ่งมีความรู้สึกดีๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่นี่เป็นวิธีใช้วิปัสสนามาแก้จิตมาล้างจิตโดยที่ไม่ใช่แบบสมถะครนี้ แต่เราก็อาศัยเจโตหรืออาศัยสมถะเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้เป็นเราจะโอ้ ه, คุณถึงบอกถ้าคุณใช้สองส่วนเป็นเนี่ยคุณจะ โ, โอ้โหไวแล้มวมั น, นจะคลายจิตได้ไวนะมันจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้เร็วคุณจะต้องชัดประเด็นนะอ้าวใครอีกเชิญพอกายค่ะก็พุ่มเจ้าเหมือ <ith Biz> นกันค่ะฮก็ได้ประโยชน์จากการได้ฟังเทศเมชาค่ะ แต่ก็มีข้อขัดแยง้งกัดตอนฟังเทศขึ้นมาอยู่ว่าที่ท่านบอกว่าท่านเป็นสายเจโตค่ะใจก็ขัดแย้งว่า <c oughs> ท่านเป็นสายเจโตแล้วเรามาหาเจโตเนี่ย <c oughs> แต่รู้ว่าท่านก็นนไม่ขัดแยง้ง <c oughs> อันนี้เล่นลูกตามเลยไนมะ่ไ <c> ด <oughs> ้ขัดแย้งท่านบอก <c oughs> แต่ท่านก็เคยฟังท่านว่าในในคนเราก็มีทั้งปัญญาได้เจโตค่ะ แต่ที่จ่านคิใจก็คิดว่าท่านต้องปัญญามากกว่าเจโตแหละแน่อคุณ ม, มาเพิ่มปัญญาที่นี่ <c oughs> ที่สันติเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ย ว, ยวถามหน่อยจีแล้วบอกว่าเป็นมหาเจโตไงอะ่ะคือแบบไม่ค่อยเป็นคนทื่อค่ะไม่ค่อยฉลาดอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะเป็นคนทื่อๆไม่ฉลาดไม่แวววแบบไ ม, ไม่ได้หมายความว่าคนเจโตนี่งงๆนะเข้าใจผิดแล้วนะแหมคนเจโตเ้เขาก็ฉลาดได้นะ เพียงแต่ว่าเวลาเขาภาคปฏิบัติเขาอะไรเนี่ยคือมันมันจะชอบในอีกลักษณะหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าคนเจโตโง่สายปัญญาเนี่ยซื่อๆก็ยังได้เลยเพียงแต่ว่ามันจะแวววายไปในอีกลักษณะหนึ่งอย่าอย่าอไปเข้าใจผิดนะเข้าใจโอ้เดี๋ยวกลายเป็นใครเดินดําดํดําดํทึมทึหน่อยกลายเป็นเจโตหมันไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยลักษณะมันจะค่อนอย่างนั้น แต่แต่ไม่ได้หมายความตายตัวอย่างนั้นโอ้ย ม, มันมันมีอีกหลายแง่มุมในเรื่องของเจโตในเรื่องของปัญญาสายเจโตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างมาในทางนิ่งนิ่งไม่ได้หมายถึงว่าแหมไม่เคลื่อนไหวร่างกายอะไรไม่ใช่นะนิ่งหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันค่อนข้างจะจะเอาเข้ามาภายในส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเอาออกนอกจะเอาเข้ามาในเพราะสายเจโตเดี๋ยวจึงจึงจึงทำสมถะได้เก่ง ทำสมถะได้ดีแล้วก็มีฤทธิ์ทางใจฤทธิ์ทางใจแบบสะกดนะหรือว่าจับให้จิตมันปั้นจิตอย่างงั้นอย่างนี้เก่งสายเจโตจะปั้นจิตในลักษณะที่เรียกว่าสั่งบังคับจิตอย่างงั้นอย่างนี้ได้เก่งสายเจโตจะเป็นอย่างนั้นคือบังคับจิตได้เก่งจะปล่อยก็ได้จะให้นิ่งๆก็ได้จะให้ปรุงไปก็ได้บังคับจิตได้เก่งส่วนสายปัญญาเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึง สายปัญญาพิจารณาแงาม่มุมนะรู้เหลี่ยมรู้คูรู้อะไรต่างๆเนี่ยได้เก่งแต่ว่าบางทีการบังคับจิตการอะไรจิตไม่เก่งเท่าไม่เก่งเท่าเาจตโตคือคื อ, ค, อคือการใช้กำลังของจิตเนี่ยไม่เก่งเท่าแต่ถ้าให้พิจารณาอะไรแล้วสายปัญญาเก่งกว่าเจโตยิ่งโดยเฉพาะถ้าจะพิจารณาเรื่องโ น, น้เรื่องนี้เรื่องนั้นแม้แต่เรื่องกิเลสก็ตามพิจารณาได้ละเอียดอ่อนกว่า แต่นั่นแหละบุมเสียของสายปัญญายิ่งละเอียดยิ่งรอบครอบยิ่งอู้อะไรมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งช้าเท่านั้นแหละจึงบรรลุทำช้าไงสายปัญญาบรรลุทำช้ากว่าสายเจโตเท่าตัวช้ากักนเท่าตัวนนคนที่แบบจะคิดจะทําอะไรแต่ละเรื่องก็พิจารณาละเอียดจนกลายเป็นละเลียดนี่คือปัญญาใช่ไหมใช่ใช่ ส, สังเกตเดี๋ยวบอกก่อนนะเคยพูดแล้วนะ พิจารณานี่หมายถึงคุณพิจารณาตามสัจจะตามความเป็นจริงแล้ว เ, เห็นกิเลสแล้วก็คุณก็อะไรอะ่ะจะกําจัดหรือจะจัดการกิเลสยังไงนี้คือปัญญาพิจารณานะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจิตคุณเนี่ยปล่อยคิดอย่างง้นคิดอย่างนี้ไปตามเรื่องตามราวนั้นฟุ้งซ่านนะนั่นไม่ใช่ปัญญาฟุ้งซ่านมันก็คิดไปเรื่อยมันก็มีเหตุผลด้วยเหมือนกันนะ ไม่ใช่แบบฟุ้งซ่านไม่มีเหตุผลนะฟุ้งซ่านก็มีเหตุผลครับคิดโน้นคิดนี่คิดด้านคิดสเปรย์สปะคิดอะไรไปเยอะแยะมากมายก็ได้แต่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่ได้มีจุดจบไม่มีจุดลงเอยไม่มีการที่จะแบบว่ า, ามีวิธีที่จะมาคลายจิตแล้วก็ลดกิเลสที่ที่กําลังฟุ้งนั้นได้อย่างนั้นเนี่ยยังนั้นเนี่ยเขาไม่เรียกว่าสายปัญญาอันนั้นเขาเรียกสายวิตกะวิตกกะจริตสาย ฟ, acun, าย ฟ, ายฟายุ้งซ่านคิดอะไรต่ออะไร พวกด็อกเตอร์โอ้โหเขาคิดไปดวงจันทร์ไปนอกโลกไปอะไรหู้โห ค, คิดยิบเลยเรายังไม่รู้เลยโ อ, โอ้โหคิด ย, งยังไงเนี่ยบางทีเขาก็คิดละเอียดละอคิดได้เก่งเลยนะแต่นั้นถือว่าฟุ้งซ่านเพราะมันไม่เป็นไปเพื่อที่จะรู้กิเลสแล้วก็ลดกิเลสอันนั้นเราก็ไม่เรียกว่าเป็นปัญญานะถ้าของพุทธอันนั้นไม่เรียกว่าปัญญาอันนั้นก็ถือว่าฟุ้งซ่านเหมือนกันราะบางทีพวกเราบางคนเนี่ยเวลาเราผัดสะอะไรมาใช่ไหม แล้เราก็ห้ามจิตเราไม่ได้อะเราก็ไปตามอารมณ์ไงถือว่าจิตเราไม่ชอบใจคนนี้ะสมมติว่าคนนี้มาเราผัดซาปั๊บเราไม่ชอบใจมันก็ปรุงก็คิดไปตามความไม่ชอบใจของเราเอาคนนั้นอาจจะตามดูจิตอยู่นะก็รู้อยู่นะก็ตามดูจิตอยู่นี่แหละแต่มันก็ปรุงคิดอะไรไปตามความไม่ชอบใจนะอันนี้ไม่ได้พิจารณาอันนี้ฟุ้งซ่านอย่างนี้เขาก็เรียกฟุ้งซ่านเอาเห็นขนมอย่างเงี้ยขึ้นสะลาอย่างเงี้ยขนมเลื่อนมานมเลื่อนม า, นมาใช่ไหม เลื่อนมาแล้วก็โอ้โหคราวนี้พอเห็นขนมเอายิ่งขนมนี้ชอบแม่เออขนมนี้ชอบน่ากินนะเนี่ยถ้าสมว่าคุณน่ากินนะบอกเออเดี๋ยวมาเนี่เราเดี๋ยวจะหยิบสักกอนสองก้อนอะไรคือว่าคิดของคุณไปเรื่อยนะอย่างนี้อย่างนี้ก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเอยนี่ขนมที่เราชอบนะเฮ้ยแต่เรามีตะบะของเรานะเพราะเราเราก็ไม่ควรที่จะไปหยิบมากินเออย่างนี้ถือว่าพิจารณาอันนี้ถือว่าปัญญาเนี่ยมั น, ม, นมันแตกต่างอยู่ เพราะฉั้นอะไรๆมันก็คิดได้ทั้งนั้นนี่ใช่ไหมคนโลกโลกเขาก็คิดได้เหมือนกันนะแต่มันมันต้องจับกิเลสได้แล้วก็พิจารณาล้างกิเลสได้ด้วยถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าใครเนี่ยจับกิเลสได้แต่ยังไปตามกิเลสอยู่จะไเรียกว่าปัญญายังไงเรียกไม่ได้อ่มันก็ยังต้องถือว่าฟุ้งซ่านอยู่อ่ะหวังว่าคงพอเข้าใจนะ